เดิมแต่นั้นมโหสถโพธิสัตว์ได้มียศใหญ่เพราะนางอุทุมพรเทวีได้ทรงจัดแจงเรื่องนั้นทั้งหมดในการเมื่อมโหสถมีอายุได้16ปีพระนางทรงดําริว่าน้องชายของเราเป็นผู้ใหญ่แล้วแม่ยศของเธอก็ใหญ่เราควรจะทําอาวาหะมงคลแก่เธอทรงดําริชะนี้แล้วได้กราบทูลเนื้อความนั้นแด่พระเจ้าวิเทหราช บรมมกษัตริย์ได้ทรงสดับเนื้อความนั้นจึงมีพระราชดำรัสว่าดีแล้วเธอจงให้เจ้าตัวทราบพระนางให้มโหสถทราบความเมื่อมโหสถรับธรรมอาวาหะมงคลจึงมีพระสาวนีว่าถ้ากรณนั้นเราจะนำนางกุมาริกามาเพื่อเธอลำดับนั้นพระมหาสัตว์คิดว่า นางกุมาริกาที่พระนางจะนำมาบางทีจะไม่พึงชอบใจเราเราจะพิจารณาหาดูเองก่อนคิดชะนีแล้วจึงทูลว่าข้าแต่พระราชเทวีพระองค์อย่าตรัสอะไรแด่พระราชาสักสองสามวันข้าพระบาทจักแสวงหานางกุมาริกานางหนึ่งเองที่ชอบใจแล้วจักทูลให้ทรงทราบ พ, พระนางอุทุมพรทรงอนุญาต มโหสดจึงถวายบังคมลาพระเทวีไปเรือนของตนให้สัญญาแก่พวกสหายแล้วแรงเพศที่ใครใไม่รู้จักถือเครื่องอุปกรณ์แห่งช่างชุนผ้าออกทางประตูด้านทิศอุดรแต่ผู้เดียวไปสู่บ้านอุตระยะวะัชคามก็ในการนั้นมีสกุลเศรษฐีเก่าแก่สกุลหนึ่งในบ้านนั้นเป็นสกุลสิ้นทรัพย์ธิดาของสกุลนั้นนางหนึ่งชื่อ อมราเทวีนางมีรูปงามบริบูรณ์ด้วยลักษณะดีทุกอย่างเป็นผู้มีบุญวันนั้นนางต้มข้าวต้มแต่เช้านำข้าวต้มนั้นไปด้วยคิดว่าจากไปสู่ที่บิดาไถนาจึงออกจากเรือนเดินสวนทางกับมโหสถพระมหาสัตว์เห็นนางเดินมาคิดในใจว่าสตรีนี้สมบูรณ์ด้วยลักษณะดีทุกอย่างถ้ายังไม่มีสามี นางนี้ก็ควรเป็นภรรยาของเราภายนางอมราพอเห็นมโหสถก็คิดในใจว่าถ้าเราได้บุรุษนี้เป็นสามีายเราอาจจะยังทรัพสมบัติให้เกิดมั่งคั่งลำดับนั้นพระมหาสัตว์ ด, ดาริว่าเรายังไม่รู้ว่าสตรีนี้มีสามีหรือยังไม่มีจักถามนางด้วยวิธีใช้ใบ้ถ้านางฉลาด ก็จกรู้เนื้อความแห่งปัญญาของเราคิดชนี้แล้วยืนอยู่แต่ไกลกำมือเข้านางอมารารู้ความว่าบุรุษนี้ถามว่าเรามีสามีหรื อ, อยังจึงยืนอย่างนั้นเองแบ้มือออกมโหสถรู้เหตุนั้นแล้วจึงเข้าไปใกล้นางถามว่าแน่นางผู้เจริญเธอชื่ออะไรนางอมาราตอบว่า ข้าแต่นายสิ่งใดไม่มีในอดีตในอนาคตหรือในปัจจุบันสิ่งนั้นเป็นชื่อของข้าพเจ้ามโหสดกล่าวว่าแนะนางผู้เจริญชื่อว่าความไม่ตายไม่มีในโลกฉะนั้นนางจากชื่อว่าอมรานางอมราตอบว่าอย่างนั้นนายมโหสดถามว่าเธอจากนำข้าวต้มไปเพื่อใคร เมื่อนางอมราตอบว่าข้าพเจ้านำไปเพื่อบุรพเทวดามโหสถจึงกล่าวว่ามารดาบิดาชื่อว่าบุรพเทวดาชรอยเธอจกนำเข้าต้มไปเพื่อบิดาของเธอนางอมราตอบว่าถูกแล้วมโหสถถามว่าบิดาของเธอทํางานอะไรนางอมราตอบว่า บิดาของดิฉันทำสิ่งหนึ่งโดยส่วนสองมโหสถกล่าวว่าแน่นางผู้เจริญการไถานาชื่อว่าการทำสิ่งหนึ่งโดยส่วนสองช่รอยบิดาของเธอไถานานางอมาราตอบว่าถูกแล้วมโหสถถามว่าบิดาของเธอไถานาอยู่ที่ไหนนางอมาราตอบว่า ชนทั้งหลายไปในที่ใดครั้งเดียวภายหลังไม่กลับมาบิดาของดิฉันไยนาในที่นั้นแลหลมโหสถกล่าวว่าป่าช้าชื่อว่าสถานที่แห่งชนทั้งหลายไปครั้งเดียวภายหลังไม่กลับชรอยบิดาของเธอจะไถนาในที่ใกล้ป่าช้านางอมาราตอบว่าถูกแล้วมโหสถถามต่อไปว่า แน่นางผู้เจริญวันนี้เธอจะกลับหรือไม่กลับนางอมราตอบว่าข้าแต่นายถ้าว่ามาดิฉันจะยังไม่กลับถ้าว่าไม่มาดิฉันจะกลับมโหสดกล่าวว่าแน่นางผู้เจริญบิดาของเธอเช่รอยจากไถนาใกล้ฝั่งแม่น้ำครั้นเมื่อน้ำมาเธอจะไม่กลับครั้นเมื่อน้ำไม่มาเธอจะกลับนางอมราตอบว่า ถูกแล้วทั้งสองเจราจาโต้อตอบกันเท่านี้แล้วภายหลังนางอมาราเชิญมโหสถให้ดื่มข้าวต้มพระมหาสัตว์ดำริว่าการปฏิเสธเป็นอวมงคลจึงกล่าวรับว่าจะดื่มนางจึงปรงหม้อข้าวต้มลงพระมหาสัตว์คิดว่าถ้านางอมาราไม่ล้างภาชนะไม่ให้น้ำล้างมือให้ข้าวต้ม เราจะละนางเสียในที่นี้ไปไปายนางอมราล้างภาชนะแล้วนำน้ำมาด้วยภาชนะให้น้ำล้างมือไม่วางภาชนะเปล่าในมือคนหม้อที่วางไว้บนพื้นแล้วตักข้าวต้มใส่เต็มภาชนะก็ตแต่มเมล็ดข้าวในภาชนะนั้นน้อยลำดับนั้นพระมหาสัตว์กล่าวว่าแน่นางผู้เจริญข้าวต้มมากเกินไปหรือเปล่า นางอมราตอบว่ายังไม่ได้เติมน้ําจานนายพระมหาสัตว์กล่าวว่าเธอเห็นจากไม่ได้น้ํามาแต่ทุ่งนานางอมราตอบว่าถูกแล้วแล้วนางแบ่งข้าวต้มไว้ให้บิดาเหลือจากนั้นให้พระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ดื่มข้าวต้มนั้นแล้วบ้วนปากพูดว่าแน่นางผู้เจริญเราจะไปสู่เรือนของเธอ เธอจงบอกทางแก่เรานางอมรากล่าวว่าดีแล้วเมื่อจะบอกทางจึงกล่าวคาถานี้ในเอกนิบาตว่าร้านขายข้าวศัตรูถัดไปร้านขายน้ำส้มถัดสองร้านต้นทองหลังดอกบานมีใบสองชั้นมีอยู่โดยทางใดดิฉันให้ข้าวต้มด้วยมือข้างใดดิฉันบอกทางโดยมือข้างนั้น ดิฉันไม่ได้ให้เข้าต้มด้วยมือข้างใดดิฉันไม่ได้บอกทางนั้นโดยมือข้างนั้นทางนั้นเป็นทางแห่งอุตรยวัชคามขอท่านจงทราบทางปริศนานี้คาถานั้นมีความว่าข้าแต่นายท่านเข้าไปในภายหมู่บ้านแล้วจะเห็นร้านขายข้าวศัตรูร้านหนึ่งถัดไปร้านขายน้าส้มข้างหน้าร้านค้าสองร้านนั้นมีต้นทองหลาง มีใบสองชั้นมีดอกบานฉะนั้นท่านจงไปทางที่มีร้านขายข้าวศัตรูร้านขายน้ำส้มและต้นทองหลางดอกบานยืนที่โคนต้นทองหลางถือเอาทางขวาและทางซ้ายข้อว่าทางนั้นเป็นทางแห่งอุตระยะวะมัชคามเอสะมัคโคยะวะมัชชกัสสะความว่า นี้เป็นทางไปเรือนของพวกเราซึ่งตั้งอยู่ในบ้านยะวะมชคามขอท่านจงทราบทางปกปิดคือทางที่ปกปิดนี้คือที่ขพเจ้ากล่าวปกปิดอย่างนี้หรือทางปิดหรือเหตุที่ปกปิดคำว่าให้ด้วยมือข้างใดเยนาธามิแม้ในคาถานี้นางกล่าวหมายเอามือขวาที่เราใช้ถือภาชนะข้าวต้มนอกนี้เป็นมือซ้าย นางอมราบอกทางแก่มะโหสดอย่างนี้แล้วคือข้าวต้มไปส่งบิดาฉันนตปะถะปัญหาจบ